ความเพียรไปกิจกรรมวันนี้ใคยจะรู้ความตายม่พรุ่งนี้ประโยคสั้นๆนี้มันมีความหมายมากความตายเป็นสิ่งที่จู่โจมหรือเกิดขึ้นกับผู้คนโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า แม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็อาจจะตายแบบฉับพลันก็ได้บางทีเห็นหน้ากันแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็ตายซะแล้วปี่ไปส่งลูกนะขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพ ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบางคนแค่ก่อนขึ้นรถตู้เขียนข้อความลงขึ้นเฟซบุ๊กว่ากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะมาเป็นข่าวที่ก็รถตู้ชนกับรถ ก, กระบะไฟลูกท่วมตายทุกคนนะ ของรถทั้งสองคันอย่างที่เป็นข่าวเมื่อปีใหม่ความตายมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในเวลาใดก็ได้อันนี้เมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นกับใครก็โดยเฉพาะกับคนที่เรารู้จักหรือคนใกล้ตัวก็ ควร่ะใช้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่านี่แหละนะคือธรรมชาติความตายมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวความริงความตายนี่มันใกล้ตัวมากนะภาสิตที่แบกบอกว่ า, วาไม่มีใครรู้หรอกนะว่า ระหว่างพูุนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่าต้องมีพรุ่งนี้ก่อนจึงมีชาติหน้าหรือชาติหน้าจะมาก็ต่อเมื่อในผ่านไปหลายปีแล้วอีกสักสามสิบปีจึงค่อยไปเจอชาติหน้าหรือค่อยไปชาติหน้าระหว่างลมหายใจขณะนี้กับชาติหน้าบางที เส้นแบ่งมันใกล้กันนิดเดียวหายใจยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะสุดท้องเลยเอา้าวตายซะแล้วก็มีด้วยเหตุผลต่างๆกันหัวใจวายหรือว่าเจอระเบิดนะแผ่นดินไหวตึกถลม่มนกะ็ามาเป็นข้อเตือนใจ เพื่ออะไรนะก็เพื่อได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ทำความเพียรเนนะี่ยอย่างที่สวนมสัสสคูเนี่ยความเพียรเปื่อกี้ที่ทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้เพียรอะไรก็เพียรทำดีนะเพียรทำดีสร้างบุญสร้างกุศลทำให้ชีวิตนี้มันมีคุณค่าก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้มัน คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแสนยากยากมากนะอุจจะเปลี่ยนมันก็ว่าเต่าตาบอดมันอยู่ในกลางทะเลกว้างใหญ่ร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งเนื่องในทะเลที่กว้างแสนกว้างก็มีมีแอกไม้หรือเป็นห่วงที่มันลอยอยู่เท่งเตง โอกาสที่เต่าตาบอดมันจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางห่วงนั้นพอดีใช้เวลานา น, านมากนะกี่ร้อยกี่พันปีกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาตรงนั้นพอดีถ้าห่วงมาอยู่กลางแม่น้งก็ยังพอก็มีโอกาสมากกว่าที่จะลอยอยู่กลางทะเลอการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากอย่างนั้นเนะี่ย เมื่อเกิดไปบนทั้งทีก็ต้องมันต้องทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ยกระดับจิตระดับแจงตัวเองขึ้นไปเันตั้งแต่การทําความดีการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ต้องพยายามฝึกเจิตสุกใจไว้ฝึกเจ็บฝึกใจเพื่อให้จิตใจผ่องแผ้วและทั้งเพื่อ การทำให้ชิดมันมีคุณค่าด้วยแล้วก็เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ในยามที่ความตาย ม, มาประชิดตัวจะได้ไม่ตื่นตอะกตกใจไม่หวาดภาวาเพื่อว่าจะได้ตายดีตายไม่ทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของความตายหรือความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ย ไม่ได้ตัดเ ป, ปล่าๆรลยลอยนะตัดเพื่อให้ให้ปฏิบัติหรือมีท่าทีอย่างถูกต้องงานอย่างนาปัชิมโอวาเนี่ยก็พูดไว้คล้ายๆกันสังขาทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความให้ประมายถึงพร้อมเถิดหรือจงทําประโยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณ เวลาพระเจ้ตัสถึงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิต เ, เรื่องความตายที่จะต้องเกิดกับทุกคนก็เพื่อให้เราได้เกิดความกระตือรือร้นในการทำความดีในการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกั้งตตัวเองและผู้อื่นเพราะว่าถ้าไม่ทำวันนี้นะพรุ่งนี้อาจไม่มีโอกาส ที่ทำความดีนี่ก็หลุนความดีกับคนอื่นด้วยนะหมายถึงการทำหน้าที่ที่มีต่อคนอื่นกับลูกกับพ่อแม่นะกับคนที่เคารพรักนะอันนี้เรากาทำประโยชน์ท่านนะทำประโยชน์ท่านมีหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบอะไรก็ต้องรีบทำ ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะโดยเปล่าประโยชน์บางคนก็ไม่ใช่แค่ปล่อยเวลาล่วงเลยไปแถมยังใช้เวลานั้นในทางการทำความชั่วนะสร้างสร้างบาป ก, กรรมนะให้กับตัวเองก็เรียกว่าเกิดมา ชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี่มันกลับเป็นโทษกับตัวเองเมื่อใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์อาการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อใช้กรรมนะมันเกิดมาเพื่อสร้างกรรมด้วยถ้าคนไม่เข้าใจผิดว่าเนี่ยเกิดมาเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม ที่จริงเนี่ยอันนั้นมันส่วนน้อยนะส่วนส่วนสำคัญที่สุดก่อนนั้นที่สำคัญก็คือการเกิดมาเพื่อใช้เพื่อสร้างกรรมแต่เราเลือกได้ว่าจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วนะถ้าสร้างกรรมดีชีวิตก็มีความสุขความเจริญแล้วก็ทําให้การเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีคุณค่าคนเราเมีโอกาสที่จะสร้างกรรม ได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายถ้ายังมีลมหายใจอยู่แม่จะอยู่บนเตียงก็ยังสร้างกรรมดีได้ไม่ใช่แค่ถวายสังฆทานพระที่มาเยี่ยมแต่รวมถึงการคิดดีนะคิดเป็นกุศล คิดถึงความดีที่ได้ทําคิดถึงบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําดีได้แต่ถ้าคิดไม่ดีไปคิดถึงความทุกข์ไปคิดถึงความผิดความชั่วในอดีตอันนี้ก็เรียกว่าคิดไม่ดีก็เหมือนกับว่าทําซ้ําการคิดถึงความชั่วหรือบาปในอดีตเนี่ย แม่แม้จะไม่รู้ถ้าไม่ถึงการทําไปแล้วไกลแค่ไหนก็ตามถ้าคิดถึงมันถ้าคิดไม่เป็นนะมันก็เหมือนก็ทำซ้ำถ้าคิดไม่เป็นก็หมายถึงว่าก็ยังเศร้าโศกเสียใจกับมันหรื อ, อยังยังมีความรู้สึกลบกับมันเนี่ยก็มันก็ทำซ้ำแต่ถ้าคิดดีก็คิดเออคิดเป็นสอนเป็นบทเรียน ว่ต่อไปจะไม่ทําอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างกรรมดีสร้างกรรมมาให้เกิดขึ้นเป็นกรรมดีจริงๆถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่ไปเกิดใหม่เนีก็ยังมีโอกาสทําสร้างกรรมอยู่ได้เรื่อยๆนะทางที่เบตนี่ก็เชื่อว่าแม่ตายไปแล้วนะแม่ตายไปแล้วนี่นะจิตนี่ยังไม่ไปเกิดใหม่ยังอยู่ในอันตรภพ ก็ยังสามารถที่จะใช้โอกาสที่มีอยู่ เ, เพื่อเพื่อไปเกิดในในภพใหม่หรือเพื่อการพ้นจากวัฏฏะสงสารได้เลยสามารถจะหลุดพ้นได้ในภาวะที่เรียกว่าบาโดหรืออันตรภพอันตรภพคือภพระหว่างก็คือระหว่างภพเก่ากับภพบใหม่ มีโอกาสที่จะยังหลุพดพ้นได้อยู่ที่ว่าจะวางใจยังไงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอันตรภพเนี่ยอันแต่ของทิศไตรวาสเราไม่เชื่อเรื่องอันตรภพนะเราเชื่อเราเชื่อว่าเนี่ยตายปุ๊บก็เกิดปั๊บเลยนะไม่มีอันตรภพหรือพบระหว่าง แต่ยงไก็ตามเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยแม้จะอยู่ในเพราะโคมา่าเป็นผักก็ยังสร้างกรรมดีได้ดังจึงมีธรรมเนียมนำจิตคนใกล้ตายเนี่ยนำไปทํามานำนไปเพื่อเขาได้คิดดีคิดเป็นกุศลหรือว่าปล่อยวางเลยปล่อยวางสิ่งทั้งปวง ไอ้ไปวางนี้ก็สําคัญนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะหรือเป็นการเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทำนี่เราพุทธเจ้าจัดเรื่องความไม่เที่ยงเนะี่ยนอกจากตัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรแล้วก็ยังตัดเพื่อกระตุ้นให้รู้จะปล่อยวางด้วยเนะี่ยอย่างส่วนบางสกุลเนะี่ยบางสกุล นางสุกุลตายเนี่ยอ น, นิจจาวตสังขาราเนี่ยซึ่งวันนี้นะก็ชว่วงนี้ของได้สวดนอ น, นิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนะมันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดานะมีแล้วดับไปความสงบระ ง, งับปล่อยวางสังขารทั้งปวงได้เป็นสุขอย่างยิ่ง นี่คือความหมายของกองสกุลที่เราได้ยินหรือว่าได้สวดพระผู้เจ้าตัสถึงความไม่เทียงสังขารเพื่อให้ปล่อยวางบางคนก็สงสัยพุะ เ, เจ้าบางทีก็บอกให้ทําความเพียรแต่บางทีบอกให้ปล่อยวางเนี่ยพูดขัดแย้งกันจริงไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกทาความเพียร น, นี่เป็นเรื่องการทํากิจนะส่วนการปล่อยวางเป็นเรื่องการทําจิต ในเมื่อเรารู้ว่าชีวยเราไม่เที่ยงเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ต้องเร่งทำความดีเร่งทำความเพียรแต่ขณะเดียวกันนะเมือ่อในเมื่อทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงไอการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆก็มีแต่ทำให้ทุกข์เพราะเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปนะจยังมีความยึดมั่นก็จะเป็นทุกข์เมื่อจะเป็นทรัพย์สมบัติ ไม่เป็นคนรักความยึดมั่นถือมันทําให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยงความตายมันมาเตือนให้เห็นชัดเลยวไม่เที่ยงจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆมากเลยเพราะเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงในพวงนี้นี่มันเป็นของชั่วคราว ไอ้ตอนที่ไม่ตายเนี่ยก็ต้องเจอความพัดพาดสูญเสียทรัพย์สิ น, นคนโด น, นมากก็เมื่อเกิดขึ้นแล้ววางใจไม่ถูกนะบ้านถูกยึดนะหรือว่ารถถูกยึดนะเพราะว่าทำธุรกิจผิดพลาด เหมือนกับเทวดาตกสวรรค์เป็นข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยบ้านก็ถูกยึดทำใจไม่ได้เนี่ยฆ่าตัวตายอันนี้ก็มีข่าวเป็นข่าวอยู่ น, นี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นในในทรัพย์รวมทั้งในหน้าตาด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติเช่นบ้านรถตู้มันก็ มันก็สะท้อนหรือมันก็แสดงออกบอกบ่งบอ ก, บอกถึงหน้าตาเป็นใครการผู้ใหญ่ถ้าไปอยู่ตึกแถวไม่มีรถขับมันต้องนั่งรถเม์หรือนั่งแท็กซี่มันเสียเกียรติยศเนี่ยมันทำใจไม่ได้ก็ค่าตัวตายอันนี้เรียกว่าเป็นพาะ ไม่รู้เท่าทานธรรมดานะของสิ่งต่างๆอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งศักดิ์ศรีหน้าตามันก็ไม่เที่ยงไปยึดมันถือมั่นกับมันมันก็กลับมาทำร้ายเราอะไรก็ตามที่เรายึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นของเราเนี่ยสุดท้ายเราเป็นของมันไปเลย บ้านเป็นของเราแล้วเป็นของเราแต่หารู้ไหมเราเป็นของมันไปนแล้วทันทีที่ยึดมันถือมันพ่อก็จะยึดบ้านก็จะยึดรถก็เลยตายดีกว่าหรือไม่ก็ยอมตายเพื่อปกป้องมันอันนี้เรียกว่าเราตายเพื่อมันก็แสดงว่าเราเป็นของมันนะไม่ใช่มันเป็นของเราอ่ะ เถ้าเราไม่เห็นความไม่ได้ไม่ได้รู้เท่าทันธรรมดาไม่เท่าทันถึงความไม่เที่ยงเส่องต่างเนี่ยต่อไปมันไม่ใช่แค่เสียทรําย์ก็เสียคนรักด้วยก็จะเศร้าโศกทุกขเวทนาแต่ต่อไปไม่ใช่เสียคนรักของรักแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองก็จะต้องเสียไปด้วยคนก็ทำใจไม่ได้ ห่วงแหนก็เลยกลัวความตายกลัวความตายว่ากลัวความตายจะมาพรากชีวิตไปป่วยก็ป่วยอย่างทรมานทุรนทุรายกระสรับกระส่ายอันนี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ตระหนักนะหรือเตือนใจนะถึงความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงรวมทั้งชีวิตของตัวด้วย นการการทําจิตนี่ก็ต้องทําเหมือนกันนะอุทสาหศาสนาเนี่ก็สอนทั้งทำกิจและทําจิตโดยการเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่เที่ยงของสังขารอันนี้คือเหตุผลใหญ่เลยนะว่าทำไมเราต้องทําต้องทํากิจต้องทําความเพี่ยงเพราะว่าชี่ิมันไม่เที่ยงโอกาสที่จะ โอกาสที่จะเป็นอย่างที่เป็นก็น้อยโหดท้ายไปเรื่อยๆจากคะนนจากกาพกความไม่เชื่ อ, อนี่นแหละนะจริงต้องรู้จักปล่อยวางบ้างร่างกายนี้ก็ไม่เชื่องก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางคือไม่ยึดควาเป็นของเราอันนี้เรื่องทำจิตแต่ว่าการทํากิตก็ยังทําต่อไปก็คือดูแลร่างกายนี้ให้ดี กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกาลังกายพักผ่อนแต่พอเพียงเจ็บป่วยก็ต้องหายามารักษาอันนี้เรื่อการทำกิจส่วนทาจิตก็ก็ก็คือไม่ทุกข์เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ทุกแต่กายคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทากิจปล่อยวางคือปล่อยไปแล้วเลย ไม่ใช่นะปล่อยวางไปเรื่องการทำจิตส่วนการทำกิจยังทำต่อไปบ้านไม่ใช่ของเราแต่ว่าก็ต้องซ่อมนะก๊อกรั่วก็ต้องซ่อมหลังคารั่วก็ต้องซ่อมผนังร้าวก็ต้องซ่อมแต่ว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเราก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่การไม่ทุกข์ไม่ได้แปลหมายความว่าไม่ทาหน้าที่รถของเพื่อเรายืมมาใช้ไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้มันแบบแบบไม่รับผิดชอบแบบตามใจของเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ยืมเข้ามาไม่ใช่ของเรา หนังสื อ, อยืมมาจากห้องสมุดไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจะทิ้งทิ้งคล่องค่องยังไงก็ได้ใครทําอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบรับผิดชอบกับปล่อยวางไปด้วยกันได้นะรับผิดชอบอย่างปล่อยวางหรือปล่อยวางอย่างรับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องการทํากิจนะแต่ว่าใจเนี่ยนะจิตเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ยึดมันถือมันอะไรกับมัน ต้องเข้าใจทากิจกับทำจิตนี่ต้องไปด้วยกันทำกิจกคือข้นขวายทำความเพียรส่วนทำทาจิตก็คือปล่อยวางไม่ยึดเป็นของเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เทียเ่ยงเวลาที่มีอยู่ก็ผลหายไปเรื่อยๆกับลงมังชาที่มีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เวลาเราเวลาเราได้ได้ได้ยินได้รับรู้ข่าวๆาวนะเกี่ยวเรื่องความตายความพัดพราดเสืมเสียนะไม่ว่าใกลา้หรือไกลแค่ไหนก็ต้องเอามาเป็นเครื่องเตือนใจกระตุ้นให้ทำความเพียรแล้วก็ กระตุ้นให้ฝึกจิตเพื่อรู้จักปล่อยวางให้มันทำสองอย่างควบคู่กันไปทำกิจและทำจิตอย่ า, ามวัวแต่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าแค่อยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคนบงคลส่วนใหญ่ก็ทำแค่นั้นแหละเมืามีข่าวอย่างเช่นข่าวรถตู้ ไปชนกับรถกระบะวันปีใหม่ย่างสดยี่สิบห้าศก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่ อ, อไรอยากจะอยากจะรู้ว่าคนตายเป็นใครเกิดอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญมันก็คือ สำคัญกวกันั้นคือมาเป็นข้อเตือนใจว่าสักวันหนึ่งมันเป็นข้อเตือนใจว่าเนี่ยมันความไม่เที่ยงของชีวิตความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคน้วกคอยากเตือนใจว่าเออสักวันหนึ่งเราก็อาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์แบบทันนองนั้นก็ได้ในวันข้างหน้าเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ได้เ ต, ตเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัว เตร่ยตัวทากิจทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้เรียบร้อยยให้ข้างค้างมันทำความดีสร้าหบุญสร้างบุสน์แล้วขณะเดียวกันก็เตรียมใจไว้ว่าว่าเออถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำใจอย่างไรจรึงจะไม่ถุกไม่ไม่ทุรนทุรายนะอันนี้มันล้วนแต่เป็นการบ้านนะที่กระตุ้นให้เราเนี่ย ไม่ประมาทนะต้องใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็ต้องขวนขวายตั้งแต่ขณะที่มันยังเป็นเรื่องไกลตัวซะก่อนพรเจ้าจัดว่าเนี่ยมันมีคนอยู่สี่ประเภทนะโรงเปลี่ยนมันกับมาสี่ชนิดนะมาชนิดแรกนี่แค่เห็นเงาประตักเนี่ยของ เจ้าของเนี่ยซึ่งกําลังควบขีม่มันก็รู้แล้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทสองนี่ต้องโดนต้องโ ด, ดนแทงถึงจะรู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทสามต้องต้องแทงหนักไปจนถึงถึงเนื้อถึงจะรู้ว่าควรทําอะไรประเภทสี่ต้องต้องโดนแทงหนักไปถึงเรียก ว, ว่าลึกเลยลก็ดูกเลยถึงค่อยรู้ ก็มีนคนสี่ประเภทสีประเภทคือประเภทแรกนี่เพียงแค่ดีว่ามีคนตายก็เกิดเกิดความตื่นตัวเกิดความสังเวชนะสังเวชความตื่นตัวที่จะทําความดีบําเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมประเภทที่สองนี่ต้องอเห็นคนตาย ถึงเกิดความตื่นตัวขึ้นมาไม่ใช่แค่จะยินต้องเห็นแล้วก่อนเพราะว่าสามีคนใกล้ตัวตายถึงค่อยเกิดความตื่นตัวเกิดความกระตือรือร้ น, นทาความเพียรเวสีต้องเจอกับตัวคือใกล้าตายถึงค่อยตื่นตัวถึงค่อยเลอะเบนจากบาปกรรมอันนี้ทาง อคนภาษาสามนวลจีนว่าไม่เห็นโล่ไม่หลังน้ําตาเนี่ยประเภทนี้ประเภทที่สูคือประเภทแรกนะคือเพียงแคนะ่ได้ยินเท่านั่นแหละนะได้ยินข่าวคาที่นั่นที่มีคนตายไม่รู้จักคนตายอกแต่ว่าก็ตื่นตัวแล้วใค่ได้ยินแค่ได้รับรู้ประเภทที่สองสามสีต้องต้องเกิดนะความ ก็มีความทุกข์บีบคั้นก่อนตั้งแต่ความทุกข์ขนาดเล็กๆก็คือเห็นคนตายเกิด ค, ความกลัวเห็นศพเกิด ค, ความกลัวหรือประเภทหนาก็ตนะ้คือต้องมีคนใกล้ตัวตายก่อนนะมันถึงจะเกิด ค, ความสำเนียบคนธรรมดาถ้าไม่เจอทุกข์มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจธรรมะนะ จะพิเศว่าเพียงแค่ได้ยินว่าธรรมะดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมน้อยอ น, นั่นคือประเภทแรกประเภทสองสามสี่ยังเจอทุกข์ต้องเจอทุกข์มาบีบขั้นตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่แต่ก็ยังดีนะทีะ่มันมีทุกข์บีบขั้นหรือว่าได้ยินหรือเมื่อรู้วความทุกข์ เรื่อความตายมันใกล้เข้ามาเริ่มตืต่นตัวแต่พะี่สองนี่เห็นคนตายอยู่ ใ, ใกล้ใกล้เห็นคนตายอยู่ตอนหน้าเออมันก็รู้เรื่ความตายเรื่องใกล้ตัวมากก็ขนขวายทําความเพียรฝึกจิตฝึกใจให้เลื่อนชั้นไปนะจากขั้นที่สี่มาเป็นขั้นที่สามขั้นที่สองหรือขั้นที่หนึ่งเพียงใครได้ยินเพียงแค่ได้ข่าว แม้จะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนตายแล้วก็เกิดความตระหนักว่าเนี่ยเขากำลังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าเนี่ยชีวิตมันไม่เที่ยงยังต้องเรียกทำความเพียรนะมันทำความดีสร้างบุญสร้างบุทสลฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติธรรมให้รู้จักปลาู้จักวางหรือมีสติมีท่าทีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆถูก ต, ต้องอย่ารออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนทั่ง ความตายมาไปชิดตัวถึงค่อยตื่นตัวถึงเ้าอาจจะสายไปแล้วก็ได้อาจารย์นิพนธ์ตอนนี้กรับครับ